พระหนุ่มรูปหนึ่งอารมณ์ไม่ค่อยอจอยเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละวันมักจะมีเรื่องที่ทำให้ขุนเคืองไม่พอใจอยู่เสมอเวลานั่งสมาธิได้ยินเสียงพูดคุยกันคนพูดคุยกันได้ยินเสียงดังนะก็ไม่พอใจ บางทีก็ตะบะแตกว่าคนที่พูดคุยกันเวลากวาดใบไม้นะก็บ่นว่าใบไม้มันเยอะนะปนไปกวาดไปก็หุ่หยิดไปบางทีก็ต่อว่าเพื่อนหาว่าเพื่อนกินแรงนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจก็จะ มีอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะโมโหง่ายบางทีเขียนปากกาเยปากกามันฝืดก็โมโหค ว, ว่างปากกาทิ้งเลยทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของหลวงพ่อตลอดนะวันหนึ่งหลวงพ่อก็เลยบอกให้พระหนุ่มนี่ไปเอาแป้งเกลือมาแปอาเกลือม า, อาอมห่อหนึ่งจากในครัว พระหนุ่มก็ไปเอามาก็ไม่ลวหลวงพ่อให้ไปเอามาทำไมหลวงพ่อก็ให้ไปตักไปลินน้ำมาถ้วยหนึ่งแก้วหนึ่งแล้วก็ให้โรยเกลือลงไปทั้งถุงเลยในน้ำแก้วนั้นสักพักก็ให้พระหนุ่มเนี่ยชิมน้ำนั้นดู เป็นไงนะพระนุ่งก็บอกว่าเข็มมากก็หลวงพ่อทนนันทีหลวงพ่อก็ให้ก็พาเดินนะไปที่ลําน้ำนะที่ผ่านหน้าวัดแล้วก็ให้เอาเกลือเนี่ยที่เหลือนี่แหละโปรลงไปโรยลงไปในลําน้ํานั้นแล้วก็ให้ ชิมน้ำนั่นดูเป็นยังไงบ้างเจืดเข้าหลวงพ่อแก่ตอบไปก็งงๆไปว่าหลวงพ่อนี่ตั้งใจจะบอกอะไรแกหลวงพ่อให้พระหนุ่มคิดสักพักเพราะหนุ่มก็คิดไม่ออกหลวงพ่อก็เลยบอกพระหนุ่มว่าเนี่ยความทุกข์ในชีวิตคนเรา มันก็เหมือนกับเกลือนะคือมันจะเจะ็บมันจะเค็มหรือมันจะเจิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาชนะมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าเนี่ยนะหรือเธอเนี่ยนะจะเป็นน้ำแก้วหนึ่งหรือว่าจะเป็นลำน้ำสายหนึ่งให้ลองพิจารณาดูนะความทุกข์ที่ ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเราสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจเราเนี่ยจะว่าไปมันก็เหมือนกับเกลือนะเกลือมันจะเค็มหรือจืดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่น้ำความทุกเนี่ย มันจะจืดหรือมันจะเค็มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจเราเนี่ยมันเหมือนแก้วแก้วน้ำเล็กๆหรือว่าลำน้ำแก้วกับลำน้ำนี่มันขนาดมันคนมันคนละคนละขนาดกันเลยนะเนเวลาเราเจออะไรที่ไม่พอใจเนี่ยหากว่าเรา มีความคุนเคืองมีความทุกข์มากเนี่ยนั่นแสดงว่าใจของเราเนี่ยมันเล็กมันแคบเหมือนกับแก้วเท่านั้นแหละหรือผูอยา น, นก็คือว่าสิ่งที่มากระทบเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะทำให้เราเจ็บปวดหรือไม่จะทำให้เราคุนเคืองหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราด้วย มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มากระทบเท่านั้นใบไม้จะเยอะนะเพื่อโรงงานจะไม่น่ารักหรือว่าดินฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจนะแต่มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้นะถ้าว่าใจเราเนี่ยนะมันใหญ่เหมือนแม่น้ำหรือว่าเหมือนลำน้ำ ผู้เนื้อคือว่าสุขหทุกข์นี่มขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของเรามาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มากระทบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นอย่างไรใจที่เล็กกับใจที่กว้างใหญ่เนี่ยนะมันก็ส่งผลทําให้เราทุกข์เราเป็นคนทุกข์ง่ายหรือไม่คนที่ใจแคบใจเล็กขึ้นแต่ตัวเอง เจออะไรก็เจออะไรมากระทบก็ทุกข์ไปหมดโกรธไปหมดไม่พอใจหมดนะแต่คนที่ใจเขากว้างใหญ่นะแม้จะแม้จะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกปกติเฉยๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าว่าบ่ายวันหนึ่งเนี่ยก็เห็นรถแท็กซี่เนี่ยมาจอดอยู่หน้าบ้าน คือบ้านเธอเนี่ยหน้าบ้านเธอเป็นซอยนะในกรุงเทพนะมีรถมาจอดตัวแท็กซี่มาจอดหน้าบ้านเธอเห็นเธอก็ไม่พอใจทันทีเพราะว่าจอดแบบนี้แล้วเดี๋ยวรถเข้ารถออกจะทำอย่างไรนะแล้วก็มองไปที่ลมไม้ก็ยิ่งไม่พอใจว่านั่นเนี่ย เป็นต้นไม้ที่พ่อปลูกเพื่อให้ร่มเงาหน้าบ้านไม่ใช่จะให้ใครมาจอดพักอาศัยเงาอาศัยร่มเงาแต่สักพักเธอก็ได้สตินะเพราะมาคิดใหม่ว่า เ, เราก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะยังไม่มีทุนละออกจากบ้านนะอีกอย่างหนึง่ง ถนนนั่นก็เป็นถนนสาธารณะซอยก็เป็นซอยาสาธารณะนะมันก็กว้างพอสมควรนะถ้าจะเข้าจะออกก็คงจะไม่ลำบากแล้วก็เธอก็ไม่ได้คิดว่าเออเขาคงเหนื่อยนะอากาศคงร้อนนะเห็นร่มเงานะมันร่มรื่นดีนะก็มาพัก พ อ, พอเธอนึกถึงแท็กซี่คนนั้นที่เขาคงจะร้อนพรอ า, ากาศอบอ้าวเราก็ได้มาอาศัยร่มเงาหน้าบ้านมาเป็นที่ดับร้อนนะเธอก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเมื่อเห็นแท็กซี่นั้นเขาเอาเอาข้าวมากินเธอก็ดีใจว่า ต้นไม้ที่พ่อปลูกเนี่ยนะมันให้ร่มเงานะแกคนที่เข า, าร้อนแนะท็กซี่คนนี้ก็คงจะเหนื่อยนะอาจจะไม่ได้กินข้าวมาเลยทั้งมาทั้งเช้าเลยก็ได้นะได้มาสายร่มเงาของหน้าบ้านเธอร่มเงาของต้นไม้ที่พ่อเธอปลูกนะมาใช้ประโยชน์นะดับทุกข์ เธอก็ดีใจนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะทีแรกเนี่ยเธอไม่พอใจเพราะมีมความรู้สึกว่าบ้านของฉันนะหน้าบ้านของฉันจริงๆถนนหน้าบ้านนี่ก็ไม่ใช่ของเธอนะเป็นของสาธารณะแต่พอไปนึกว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นของฉันถนะ น, นหน้าบ้านนี่เป็นของฉันเนี่ยก็ไม่พอใจทันที ที่แท็กซี่เขาเอามามามาจอดเรายิ่ไม่พอใจว่าเนี่ยต้นไม้ของพ่อฉันนะพ่อฉันปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงานะกับลูกๆนะแต่พอจะคิดอีกมุมหนึ่งนะมองถึงความรู้สึกของแท็กซี่นะว่าเขาคงร้อนนะเขาคงเหนื่อยนะเขาคงหิวด้วยนะ ความรู้สึกโกรธก็เปลี่ยนไปนะมันมีความเห็นใจมันมีความเมตตาขึ้นมาและสิ่งที่ตามมาคือความสุขความดีใจนะที่เขาได้ดับทุกข์โดยสายร่มเงาหน้าบ้านของเธอคนบางคนนะเจอเหตุการณ์นี้โมโหไม่พอใจ อาจจะเดินไปต่อว่าแท็กซี่นะแต่คนบางคนก็เห็นแล้วขอรู้สึกดีใจนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะคุณภาพจิตหรือมุมมองนะเธอก็ดูอยู่สักพักนะแล้วก็เห็นแท็กซี่พอกินข้าวเสร็จแท็กซี่ก็อ่าออกไป ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าบ้านเธอเธอจะเข้าจะออกรถจะเข้าจะออกก็ไม่มีปัญหาเธอก็ได้คิดอีกอย่างหนึง่งเออเรากังวลไปเองนะว่าเดี๋ยวถ้ารถเข้ารถออกจะทําอย่างไรที่จริงเป็นการกังวลไปล่วงหน้าเพราะว่าแท็กซี่เขาอยู่ประเดี๋ยวเดียวาก็าไปเธอไปกังวลเพราะไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ยังไม่เกิดขึ้น คนเราก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เหมือนกันนะอะไรบางอย่างนี่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่กังวลไปล่วงหน้าแล้วอันนี้เราเป็นเพราะใจเนี่ยมันไปอยู่กับอนาคตไปมองข้ามช็อตนะคนเราเนี่ยนาจะทุกข์หรือสุขเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองมากทีเดียวนะและมุมมองนี้ก็มีส่วนทำให้ใจเราเล็กหรือแคบ หรือว่าจะทำให้เรากว้างใหญ่นะถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองนะมันก็ทำให้ใจเราคับแคบบ้านของฉันนะถนนของฉันนะต้นไม้ของพ่อฉันเนะี่ยแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นนะมันก็ทำให้ใจเรากว้างขึ้น ในทนองในทางกลับกันนะถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองนะใจเราก็แคบแต่ถ้าเรามีใจ ถ, ถ้าใจเราแคบเนี่ยเราก็คิดถึงแต่ตัวเองอยู่เสมอแต่ถ้าใจเรากว้างเนี่ยเราก็จะคิดถึงคนอื่นได้ง่ายมากให้ลองพิจารณาดูนะเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราทุกเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเรา คิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่านะหรือว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วนะคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมากเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย <c oughs> เวลาใครใครเวลาใครพูดอะไรกับเราแม้เพียงแค่แนะนำเนี่ยเราก็ไม่พอใจแล้วหากว่าเราเนี่ยมีตัวกูของกูเนี่ยสูงหรือว่ามีอัตราสูงนะ อัตตาแรงมันแนะนำฉันได้ยังไงนะแล้วเธอล่ะทำดีแค่ไหนนะคำแนะนำของเพื่อนเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มากระทบกระแทกอัตตาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทำให้เราขายหน้ามันทำให้เราเสียหน้านะหรือว่ามันแสดงว่า เรายังดีไม่พอเรายังมีข้อบกพร่องไอตัวอัตตาเนี่ยมันไม่ชอบเห็นนะถ้าหากว่ามีสิ่งอะไรที่มามาเตือนมาบอกว่านะฉันยังมีข้อบกพร่องฉันยังไม่ดีพอนะแต่ถ้าคนที่เขารู้ทันนะอัตตาหรือคนที่มีอัตตาน้อยเนี่ยเขากลับจะขอบคุณนะ ขอบคุณที่มาทักท้วงมาแ น, น, นะนํำเพราะว่าทําให้เขาเนี่ยเห็นทางปรับปรุงงานให้ดีขึ้นถ้าคนที่มีอัตราตัวตนน้อยเวลามีคนแนะนําหรือแม้แต่ทักท้วงหรือแม้กระทั่งต่อว่าเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บั น, นึกว่าเขาว่ากูเขาว่ากู เขาทำให้กูเสียหน้าแต่เขาก็จะมองว่าที่พูดมาเนี่ยมันถูกไหมมันจริงไหมนะ่มันมีประโยชน์หรือเปล่านะการมองแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้ใจไม่ทุกข์แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยการมองแบบนี้เนี่ยทางพูดเรียกว่าธรร ม, มาทปิปไตนะ่ธรร ม, มาทปิปไตยไม่ได้ไหมายถึงการปกครองแบบธรรมะ มันคนละเรื่องกับประชาธิปไตยหรือว่ า, อ, าอภิชนาธิปไตยนยะคือมันไม่เกี่ยวกับปกครองอธิปไตยในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงว่าการคิดโดยหรือการตัดสินใจโดยเอาอะไรเป็นใหญ่นะธรรมธิปไตยคนที่หมายถึงคนที่ตัดสินใจหรือคิดโดยเอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะในที่นี้หมายถึงความจริงความถูกต้องความดีนะ เช่นเวลามีคนมาวิภาวิจารณ์มาต่อว่าเราก็จะดูว่าที่พูดมานั้นจริงไหมถูกไหมมีประโยชน์ไหมนะนี่เรียกว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่เอาความจริงเป็นใหญ่แต่คนที่พอถูกต่อว่าด่าทอก็เฝ้าแต่คิดว่าเขาว่ากูเขาว่ากูเนะขาหักหน้ากนะูอันนี้เรียกว่าเอาตัวตนเป็นใหญ่ เรียอัตตาที่ปไตยนะ์และพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มองไม่เห็นอะไรนะนอกจากความรู้สึกเขาว่ากูเขาว่ากูกลายเป็นจิตที่ขับแคบนะอัตตาที่มันเป็นเหมือนกรงที่ขังจิตเอาไวนะ้ไม่สามารถที่จะมองอะไรพดจมูก ข, ของตัวเองได้แต่ถ้าว่ามี ทมที่ปิปไตยหรือเอารรมาเป็นใหญ่นี่มันก็จะใจก็จะแผ่กว้างมองพิจารณาถึงความจริงอันนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ขัดแย้งนะกับที่พูดไว้วันก่อนๆว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักหมั่นมองตนนะอย่าส่งจิตออกนอก มั่นมองตนนี่ไม่ได้ไหมครับว่าคิดถึงแต่ตัวเองหรือว่าเอาตัวไป่ศูนย์กลางที่จริงถ้าหมั่นมองตนดีๆเนี่ยมันก็ทำให้อัตราตัวตนเนี่ยมาครอบงำจิตไม่ได้ทำให้ความเห็นกับตัวเนี่ยน้อยลงพอคนร้อเนี่ยเห็นกับตัวน้อยลงเนี่ยจิตก็แผกกว้างขึ้นเมื่อแผกกว้างก็สามารถที่จะมองหรือนึกถึงคนอื่น หรือว่ามองจากมุมของคนอื่นได้พอเรามองจากมุมของคนอื่นหรือว่าเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยนะมันก็ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายและยิ่งมองแบบนี้บ่อยๆก็ยิ่งช่วยทำให้อัตราตัวตนเราเล็กลงนะมันเป็นการช่วยดัดนิสัยของเราได้ด้วย คนบางคนเนี่ยเขาจะนึกถึงแต่ตัวเองแต่ว่าจิตใจเขาสามารถที่จะแผ่กว้างออกไปได้ถ้าเกิดเขารู้สามารถหรือรู้จักฝึกฝนตนเช่นการให้ทานการให้ทานนี่มันก็ถ้าให้ทานถูกให้ทานเป็นเนี่ยมันก็ช่วยทาให้ มีความเห็นแั่ตัวน้อยนะแล้วก็นึกถึงผู้อื่นมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราให้ทานเนี่ยถ้าเราน้อมใจว่าเราถ้าเราน้อมใจนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นว่าคนที่เขาได้รับของจากเรานี่เขาจะมีความสุขเขาจ ะ, ะคลายจากความทุกข์นะพอเราคิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ย นะมันก็ทำให้ใจิตใจเราเนี่ยมีเมตตากรุณามากขึ้นการทานเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกอย่างหนึ่งทำให้ความเป็นตัวน้อยลงและตรงนี้แหละเป็นบุญนะคนไปเข้าใจว่าออการให้ทานเนี่ยถ้าทำบ่อยๆจะได้บุญบุญที่ว่าคือโชคลาภความร่ารวยอันนั้นเนี่ยมัน ยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามันช่วยลดอัดตราตัวตนช่วยลดความเหงาตัวช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นนะตรงนี้แหละเป็นบุญที่ประเสริฐกว่านะเพราะว่าถ้ามีถ้ามีบุญแบบนี้เนี่ยนะเวลาเจออะไรมากระทบนะก็จะไม่โกรธง่ายจะไม่ขัดเคืองง่ายในขณะที่คนที่ ได้โชคได้ลาบบางทีได้ไปแล้วเนี่ยความเพนจะคตัวมากขึ้นความยึดติดถือมั่นมากขึ้นแม้จะเสียนิเสียน้อยก็ทุกข์นะและถึงไม่เสียก็ยังทุกข์นะเพราะรู้สึกว่ายัางได้ยังได้น้อยไปอยากได้มากอยากได้อีกนะี่ไอ้ความอยากได้มากอยากได้อีกเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจรุ่มร้อนตรงข้าวคนที่ มีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนะเขาก็จะพอใจในสิ่งที่เขาได้มาได้ง่ายขึ้นเวลาเขาได้แม้จะคนหนึ่งจะมาว่าเขาได้น้อยแต่เขากลับรู้สึกว่าเออได้แค่นี้ก็ก็มากแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นเขาได้น้อยกว่าฉันนะเขาได้อะไรมาเขาจะรู้สึกว่าเขาพอใจเขาโชคดีเพราะเขาเห็นคนอื่น พอมองเห็นคนอื่นที่ได้น้อยกว่าเขานะพอมองเห็นคนอื่นเขาได้น้อยกว่าเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยเราโชคดีแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วเดีย๋ยวนี้เราให้ทานก็นไม่เป็นนะพอเราให้ทานเนี่ยเราก็อยากจะได้โน่นได้นี่เป็นผลตอบแทนถวายเงินวัดก็อยากได้ถูกหวยรวยรวยเบอร์ถวายสิบอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านนะ อันนี้ความเป็นกาตัวก็มากขึ้นจิตก็ยิ่งคับแคบลงนะจมุ่งหมายของการให้ทานเนี่ยนะก็คือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลมือ่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นคนยากไร้หรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานนะก็ควรได้รับประโยชน์จากทานของเรานะและขณะเดียวกันก็ลดความยึดมั่นถือมั่นใน ในสิ่งของนั้นรวมทั้งดลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองด้วยนะภาษาริบุลเนี่ยเคยกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยย่อมมีให้ทานเพราะหวังอุปทิสุขหรือเพราะพบใหม่อุปทิสุขก็หมายถึงโลกิยสุขนะหมายถึงสุขที่เกิดจากการเสพนะ เกิดจากการมีการครอบครองหรือว่าการได้รับการมาสุขนั่นเองนะอุปทิมตะกิเลสนะหรือว่าโลกเกียสุขส่วนพบใหม่นี่หมายถึงว่าทําบุญแล้วก็อยากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยากจะเกิดเป็นเศรษฐีอยากเกิดเป็นคนสวยคนหล่อในชาตินาเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเนะมื่อให้ทานนะแล้ววิสัยของบัณฑิตคืออะไรนะ พระสตริฎกก็กล่าวตอบไปว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานก็มุ่งกำจัดกิเลสนะและการไม่เกิดพบนะไม่เกิดพบก็หมายความว่านิพพานนั่นเองนะพอรู้ว่าการไปเกิดแม้เป็นเทวดาแม้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินะก็ยังทุกข์นะเคยมีอุบาสกนะสมัยพุทธกาลท่านหนึ่งนะ เป็นคนที่ฝ่ายในการทําบุญมากนะแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงธรรมเมื่อกลจะตายเนี่ยนะก็มีเทวดามาบอกว่าเนี่ยให้ให้น้อมนึกถึงให้ตั้งเจตทิฐฐานว่าตายแล้วจะได้ไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ์นะบอ ก, กว่าข้าบเดชท่านนี้นี่ปฏิเสธนะเพราะว่าพราะรู้ว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังทุกข์นะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมันก็ต้องมีความพัดพรากเป็นธรรมดาเป็นจกกักรพัดเดี๋ยวก็มันก็สักวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างอื่นแทนเพราะมันไม่จีรังท่านน้อมจิตนะก็มุ่งนิพพ า, นะานเพราะนิพพานนี่ประเสริฐนะกว่าการเป็นอะไรทั้งสิน้นแม้กระทั่งจกกักรพัดแการนิพพานเนี่ยจะนิพพานได้มันก็ต้องวางทั้งหมดนะโดยเพราะไอ้ความยึดมัน่นใน ตัวกูของกูเนี่ยเรียกว่าอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานคืออุปาทานในความเชื่อว่ามีอัตตาคืออัตต า, าจริงมันไม่มีหรอกนะแต่มนุษ้นเราไปหลงเชื่อมันมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่ลดอัตตาไม่ใช่ละอัตตานะแต่ละความยึดมั่นในอัตตาหรือว่าละความยึดมั่นในความเชื่อว่ามีอัตตา นั่นให้เวลาเราพูดว่าละอัตตาละตาจริงๆมันเราอยัางพูดไม่ถูกนะแต่เราก็พูดแบบนี้ได้เพราะมันเข้าใจง่ายเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะละได้อย่างไรนะเมื่ อ, อาตาไม่มีตั้งแต่แรกตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกนี่จะละได้อย่างไรนะก็ได้แต่ว่าเราละความยึดมั่นในอัตตาหรือละความเชื่อมีอัตตาอันนี้วัตถุประสงค์ของการ Weil. ให้ทานเนี่ยนะก็ ค, คือเพื่อเพื่อ กำจัดกิเลสนะเพื่อทําให้เห็นแก่ตัวน้อยลงนะแล้วก็มุ่งประโยชน์หรือคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นก็คือมีเมตตา ก, กรุณาที่นอกจากการให้ทานในสิ่งของแล้วเนี่ยการสละเวลาไปช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็ก็จะเป็นทานก็ได้นะแต่ว่าในทางภาษาเขาเรียกว่าศีลศนะีลนี่หมายมันไม่ได้หมายถึงการไม่ไม่ทำชั่วนะแต่รวมถึงการทําความดีด้วย การสอนศีลหาในในเมืองไทยเนี่ยเราไปเน้นแต่เรื่องการไม่ทำนะเช่นไม่ฆ่าสัตว์ศนะีลข้อที่1แต่ที่จริงแล้วเนี่ยศีลข้อที่1ยังรวมถึงว่าความมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อสัตว์อื่นด้วยนะหรือข้อที่สองเนี่ยนะการไม่ลักขโมยเนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเป็นด้านบวกก็คือการมีสัมมาอาชีวะนะ ข้อที่สามเนี่ยการไม่ประพฤติเปในกามเนี่ยอันนั้นเป็นลบที่ถูกมันต้องมีข้อที่ด้านบวกตามมาหรือควบคู่กันก็คือว่าความพอใจในคู่ของของตัวคือถ้าไม่พอใจในคู่ขอ ง, ของตัวนะยังไงยังไงมันก็คือมันจะยากมากในการที่จะรักษาสี่ข้อที่สามได้อย่างถูกต้องเพราะถ้ายังอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้ในที่สุดมันก็ต้องไปไปละเมิด ของรักคนรักของคนอื่น<ม>เรียกว่าผิดประเวณีข้อที่สีเนี่ยการไม่ไม่ไม่พูดปดเนี่ยอันนั้นเป็นครึ่งหนึ่งนะของศีลอีกครึ่งหนึ่งเป็นด้านบวกก็คือการพูดคําสัตว์หรือว่าการมีความซื่อสัตว์สัตว์จริงนะข้อที่5เนี่ยการไม่ดื่มน้ําเมานะ อันนั้นก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของสิ่ข้อนี้นะอีกครึ่งหนึ่งเป็นด้านบวกก็คือการมีสตินะการมีสติสัมปชัญญะไอ้ด้านบวกเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าเบญจธรรมนะเราคงคุ้นกับคำว่าเบญจศีลเบญจธรร ม, รรมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเบญจธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของเบญจศีลนะเพราะว่าการทําความดีเนี่ยไม่จช่เป็นความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีสัมมาชีวะ นะความพอใจในคู่ครองของตัวนะความซื่อสัตย์สุจริตนะหรือว่าการมีสติเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลได้นะเวลาเราพูดถึงการการความการเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะก็จับว่าเป็นเรื่องของศีลได้นะและพอเราทําแล้วเนี่ยนะ ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงถ้านั่งที่ทีแรกเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะยังเป็นคนเห็นแก่กตัวอยู่แต่ว่าไปช่วยไปทำเพราะว่าคนอื่นเขาชวนขัดขัดไม่ได้แต่ทำไปทำไปแล้วเนี่ยจิตใจมันก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นนะมีนักธุรกิจคนหนึ่งแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจตัวมากนะด่าว่าลูกน้องเป็นประจำ แล้วก็ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงเจออะไรไม่พอใจก็ตวาดใส่ว่าใส่ทันทีแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยแกไปเป็นจิตอาสาให้กับเด็กกําพร้าที่บ้านปักเกร็ดบ้านปักเกรดนี่มีเด็กไม่ใช่เด็กกาพร้าอาจจะเป็นเด็กที่ถูกทิ้งพ่อแม่ทิ้งเขาก็รับเอามาเลี้ยงมีตั้งแต่เด็กอายุสาเดือนไปจนถึงอายุ9ก้ขวบ บางคนก็มีพ่อแม่บุญธรรมมารับตั้งแต่เล็กนะก็โชคดีไปบางคนต้องรอถึง 7-8 ครบถึงจะมีคนมารับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมในระหว่างที่อยู่บ้านปากเก็ตก็ต้องกา ร, ต, การต้องการจิตอาสาไปช่วยเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่พออันนี้ภรรยาของนักธุรกิจคนนี้ก็ไปเป็นจิตอาสาเพราะมีเวลาว่างตอนหลังก็ชวนสามีไปสามีก็ไม่เคยอยากไปหรอกเพราะว่า ไม่ค่อยคือเรื่องคือใส่ใจเรื่องธุรกิจมากกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงงานมากกว่าแต่ว่าสาวอาทิตย์เนี่ยพอมีเวลาว่างบ้างก็ไปเป็นจิตอาสาพร้อมกับภรรยาอาทิตย์ละสองครั้งสองวันบอกว่าหลังจากไปได้ต่อเนื่องไม่กี่เดือนเนี่ยนิสัยใจคอก็เปลี่ยนนะ ลุงน้องบอกว่าเจ้านายนีจใจเย็นมากขึ้นนะเจ้านายนิพูดดีกว่าเดิมนะคือแกเราทะเลาะกับกคนเนี้ยแกเพราะว่านิสัยแกเปลี่ยนไปเพราะว่าการที่ได้มาดูแลเด็กเวลาดูแลเด็กเวลาดูแลเด็กเนี้ยเด็กเล็กเนี้ยนะเจ้าใจเอาแต่ใจของตัวไม่ได้ก็ต้องนึกถึงเด็กนะบางทีเด็กงองแงจะไปว่าเด็กก็ไม่ได้นะต้องอดกลั้นเพราะว่าเด็กเขายังเล็ก หรือบางทีเด็กเขาก็มีภูมิหลังที่ไม่ดีถูกพ่อแม่ทิ้งขาดความอบอุ่นนะก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องอดทนก็ต้องพูดดีกับเขานะการที่พยายามทําดีกับเด็กพยายามอดกลั้นอารมณนะ์พยายามที่จะมีเมตตากับเด็กเนี่ยมันก็ไปเ ป, เปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยของแกกลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้น แล้วก็คิดถึงคนอื่นมากขึ้นนะไม่เอาใจตัวเองเป็นใหญ่อันนี้ก็ส่งผลต่อการทำงานนะเวลาลูกน้องทำอะไรไม่ถูกใจแกก็จะลองนึกถึงมุมของลูกน้องดูว่าลูกน้องก็จะมีปัญหาหรือมีข้อจำกัดอะไรต่างๆนะก็กลายเป็นว่าจากเดิมที่นะชอบด่าว่าลูกน้องนะ ก็ใจเย็นมากขึ้นนะจากเดิมที่มองแต่มุมของตัวเองก็มองในมุมของคนอื่นมากขึ้นอันนี้ใจก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะและสิ่งที่ตามมาคือความสุขนะความสุขนะแต่ก่อนมีอะไรมากระทบนิดหน่อยลูกน้องทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็โกรธแต่ตอนหลังนี่บางทีเจออะไรหนักๆนะเจอเรื่องราวหนักๆ ก็ไม่ทุกร้อนมากนะตั้งสติได้ไวเน่ะ้พวกเราเนี่ยให้เราตระหนักนะว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรมากระทบเราหรือว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นนะอันนั้นยังเป็นรองสิ่งสำคัญก็คือคุณภาพจิตของเราอยู่ที่มุมมองของเราด้วยคนส่วนใหญ่เวลาทุกเนี่ยนะ โดยเพราะทุกใจเนี่ยก็จะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษดินฟ้าอากาศโทษลูกน้องโทษเจ้านายโทษโทษคู่ครองโทษเพื่อนร่วมงานนะโทษนักการเมืองโทษภาวะเศรษฐกิจแต่ลืมมองตัวเองว่าใจของตัวเองก็มีส่วนนะถ้าใจเล็กใจแคบหรือว่าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ทำให้ทุกข์ได้ แต่ถ้าใจที่กว้างใหญ่ใจที่มีควา ม, มกึดตัวน้อยมีความยึดติดถือมั่นน้อยแม้เจอเรื่องใหญ่ๆมากระทบนะก็ก็ยังสงบได้ถ้าเรามีใจที่ใหญ่นะนึกถึงคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ใช่โกรธยากอย่างเท่านั้นนะแม้กระทั่งความอิจฉาเนี่ยก็จะน้อยลงนะหลายคนเนี่ย เวลาพบว่าเพื่อนได้โบนัสมากกว่าตัวเองได้เงินเดือนมากกว่าตัวเองหรือว่าได้การได้รับรางวัลการเลื่อนขั้นมากกว่าตัวเองก็จะไม่พอใจนะไม่ใช่ไม่พอใจเจ้านายฉะนั้นบางทีก็ไม่พอใจเพื่อนคนที่ได้อ่าโบนัสมากกว่าตัวด้วยคือเกิดความอิจฉาบางทีก็ค่อนแค่ว่าเนี่ยเขาทํางานน้อยกว่าฉันนะทำไมถึงได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าฉัน กลายเป็นเกลียดชังเขาอีกนะหรือกลายเป็นหาข้อตำหนิแต่ถ้าเกิดมองในมุมของเขาบ้างหรือว่าเป็นคนที่รู้จักมองนะนึกถึงคนอื่นก็อาจจะได้คิดหรือว่าได้พาอเออเขาก็จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะพรพอ่อแม่เขากำลังป่วยนะลูกเขาอ่ากำลังอ่าต้องเข้าเรียนหมหาวิทยาลยต้องใช้เงินเยอะนะหรือว่าเขากำลังผ่อนบ้านนะ เวลามองจากมุมของเขาเนี่ยว่าเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้เงินเดินเพิ่มขึ้นได้โบนัสมากกว่าเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะเพราะจะได้อ่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงินน้อยลงนะพอเราคิดในมุมของเขาเนี่ยหรือว่าคิดถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับเนี่ยนะเราก็จะเห็นใจเขาให้ความอิจฉามันก็จะน้อยลง แล้วมันดีกับใครมันดีกับเราเนะเพราะความอิจฉาความขุนเคืองน้อยลงใจเราก็สงบเย็นแล้วความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าเรามีมุทิตาจิตเนะี่ยมุทิตาจิตนี่สำคัญนะเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะนอกจากเมตตากรุณาแล้วเนี่ยเราต้องมีมุทิตาจิตด้วยเมตตากรุณานะจาเป็นหรือควรใช้นะในยามที่ ผู้อื่นอยู่ในสภาพปกติเราก็ปรารถนาหวังดีให้เขาได้พบกับความสุขความเจริญเวลาเขาทุกเราก็มีกรุณาคืออยากช่วยเขาให้เขาหลุดจากทุกเวลาเขาได้ดีเราก็มีมุทิตายินดีในความดีของเขาเวลาเขามีความทุกข์แล้วเราช่วยเขาเต็มที่แล้วก็ยังช่วยช่วยไม่ได้และ รู้สึกและรู้ว่าถ้าช่วยต่อไปมันจะเกินเลยเราก็ต้องมีอุเบกขาใช่ลูกเนี่ยนะเราก็อยากจะช่วยลูกนะแต่ถ้าช่วยถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องหยุดนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดได้ใช่ลูกไม่ทำการบ้านหรือว่าลูกลูกลืมสมุดหนังสือไว้ที่โรงเรียนนะครูก็จะลงโทษบางทีแม่นี่เมตตาลูกมากรักลูกมากก็ โกหกแก้ต่างให้ลูกว่าลูกทกําการบ้านนะัแต่ว่าลูกลืมสมุดเอาไว้ในโรงเรียนหรือว่าแก้ต่างว่าลูกป่วยนะลูกก็หลอดตัวไปแต่ว่าการทําเช่นนี้กลับกลายเป็นผลเสียกับลูกนะเพราะาลูกควรจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองที่ไม่ถูกต้องแต่พอไปแก้ต่างให้ลูกนี่ลูกพ้นผิดก็จริงแต่ว่า มันทำให้ลูกกายเป็นคนเสียนิสัยได้ง่ายเสียคนได้ง่ายนั้นทางที่ดีสิ่งที่ควรทำคืออุเบกขานะก็คือวางเฉยนะให้ลูกเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเขาเนะี่ยอันนี้ก็รวมถึงการที่เราไปช่วยใครก็ตามนะช่วยแล้วเราช่วยเต็มที่แล้วมันไม่เกิดผลนะเราก็ต้องอุเบกขาแต่ถ้าเกิดเขาได้ดีเราก็ต้องมีมุทิตานะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกใจเรานะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงนะไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับเราเนเราก็สามารถตั้งใจวางจิตเป็นปกติได้อ้าช้านี้ก็เพิ่มกคเท่านี้นะอ้ะาครับ